บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งอวิชาสังโยชนคือความไม่รู้ที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลและเกิดขึ้นในขณะที่ตาเห็นรูปเป็นต้นนั้นได้แสดงถึงความไม่รู้ในเรื่องของ ทุกข์ษัตริย์มาโดยลำดับแต่ว่าการเสริมสร้างความรู้ในแนวที่สมบูรณ์เป็นความรู้ดับสร้างญาณให้เกิดผุดขึ้นภายในใจจนจิตใจไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่เรียกว่าทุกข์ษัตริย์ทั้งปวง แม้จะมีการพูดไว้โดยนิยต์ต่างๆยังไงก็ตามสรุปแล้วก็คือกลุ่มของขันทั้งค่าและแก่สิ่งที่เป็นรูปซึ่งเราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมกูกลิ้มด้วยดินและถูกต้องด้วยกายและแม้แต่ตาหูจมกูกลินกายของเราก็คงเป็นรูปในส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ เป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเป็นรู้สึกกลางกลงความจำคือสิ่งที่เราจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำเย็นรสหนอนแขงแล้วก็จำอารมณ์ที่ท่านเรียกว่าสัญญาไปสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเราพูดเป็นไทยง่ายว่าเป็นความรู้สึก ดีบ้างไม่ดีบ้างกระกลางบ้างในแง่ของธรรมะท่านก็เรียกว่าธรรมะก็แยกเป็นกุศลอกุศลแล้วก็กลางกลางแต่ภาษาตรงนี้ท่านเรียกว่าเจตสิกธรรมรือธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วก็สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นแก่ใจ ถึงกรนีใกล้ๆกับความร้องความเย็นที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามหรือเขาร้อนเขาเย็น้วยตัวเขาเองและประถาม้สิ่งที่เขาเข้าไปเกี่ยวข้องจะพลอยร้อนพลอยเย็นตามไปด้วยธรรมชาติของจิตยาที่ทรงแสดงไว้ว่าทิกสูทั้งหลายจิตนี้ประพัดสอนคือเรืองแสงแต่จิตนี้ต้องเศร้ามองไปประอุปเลรที่จอดมา จะหมายความว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตมันเกิดขึ้นกับสิ่งที่เข้ามาปรุงจิตในขณะนั้นนั้นเราสามารถดูจิตของเราได้ว่าเราไม่ได้โกรธตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเราไม่ได้เมตตาตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเราไม่ได้มีหีหริตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเราไม่ได้มีอุตรปะตลอดยี่บสี่ชั่วโมงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่คิดบาปตลอดยีบี่ชั่วโมงเหมือนกัน ควมเปลี่ยแปลงที่เกิดขึ้นภายในจิตจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวจิตเองแต่อยู่ที่สิ่งซึ่งท่านเรียกในที่นี้ว่าเจตสิกเรียกในตัวอื่นว่ากุศลแกุศลแล้วก็อัพญากฤิคือกลางกลางเรียกรวมๆว่าคือธรรมะมันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิต สิ่งเหล่านี้ถ้าจะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งก็เหมือนกับสีซึ่งเกิดขึ้นในน้ําจิตก็เหมือนกับน้ําโดยสภาพของน้ําแล้วไม่มีทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสแต่น้ําก็เปลี่ยนแปลงได้ทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสซึ่งจะเห็นได้ว่าเอาก็จริงแล้วสีก็ไม่ใช่น้ํากลิ่นก็ไม่ใช่น้ํารสก็ไม่ใช่น้ําตัวน้ํานั่นเองมีสภาวะเย็นแล้วก็ไหลซึมซับไปในสถานที่ทต่างๆได้ มัความหวานความหอมรืว่าสีต่างๆที่มีอยู่ในน้ำนั้นที่จริงไม่ใช่ตัวน้ำแต่เป็นสิ่งที่แ ป, ปรปลอมเข้าไปจิตใจของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเราจเห็นว่าสภาพจิตเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเป็นธรรมชาติที่ประพัดสอนคือเรืองแสงคล้ายๆกับเพชร เพชรก็แสดงแสงออกมาไม่ได้เพราะถูกคุ่มห่อไว้ด้วยหินหรสิ่งสปกปรกต่างๆซึ่งควจริงแล้วหินนั้นก็ไม่ใช่เพชรสิ่งสกปรกก็ไม่ใช่เพชรเมื่อไม่ใช่ตัวเพชรเราก็ขัดออกมาได้คือทําให้เพชรคืนสู่ความท่องใสตามสถานะของเขาได้จิตใจเราก็มีลักษณะอย่างนั้น คือสามารถที่จะขัดจัดปัดเป่าสิ่งเศร้มองออกไปจากใจแล้วให้ใจคืนสู่ความผ่องายได้นย่าหนึ่งก็คือพวกวิญญาณเดี่กัการรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิน่นทางจมกูกรู้รสทางลิ้นรู้ ร, รยินรอ้นอนนออนแข็งทางกายแล้วก็รู้อารมณ์ทางใจการสรุปอีกทีหนึ่งว่ารูปนามก็คือกายกับจิตลองสังเกตดูว่าทั้งกายทั้งจิตนั้น เป็นสิ่งที่ตกอยู่ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติธรรมดาที่เรียกว่ากฎของไตรักคือเป็นทุกข์เป็นของไม่เที่ยงมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ทุกขณะแต่การดูนั้นที่จริงแล้วเราจะดูที่กายก็ได้ดูที่จิตก็ได้ดูกายนะค่อนข้างดูยากเพราะการตั้งอยู่ของกายตั้งอยู่ได้นานๆกว่า กว่าการตั้งอยู่ของจิตวันเวลาทรงสอนในพิจารณาที่ตัวกายคือกลุ่มที่เราได้เห็นได้ยินได้สุดดมได้ลิ้มได้จับต้องก็ไม่ได้เกี่ยวกับกายคนหรือว่ากายสัตว์หรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามคือสรุปว่ารูปเราอาจจะนั่งดูใบไม้ก็ได้เราเห็นว่าใบไม้ถ้าเราดูที่สีของโดยไม่ใช้ปัญญาพินิพิจารณาอะไร เพ่งสติระลึลกรู้ให้จิตสงบอยู่กับใบไม้สมมุติดูสีเขียวของใบไม้การดูอย่างนั้นนั่นเรียกว่าเป็นกรสินเป็นวั น, นะกรสินคือจิตจะสงบอยู่กับการเพ่งดูที่สีตรงนั้นแม้สีอื่นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าเรายกเอาใบาไม้ขึ้นมาพิจารณา พิจารณาในแง่ของปัจจุบันธรรมหมายความว่าพิจารณาในขณะนั้นๆเราจะเห็นเรื่องความแตกต่างของใบไม้ซึ่งผ่านการเวลามาไม่เหมือนกันในส่วนหนึ่งก็กําลังผลิใบอ่อนๆออกมากําลังผลิดอกออกมาแต่ส่วนที่เกิดมานานแล้วมันก็กําลังเริ่มเหลืองและสภาพที่เหลืองก็เหลืองแตกต่างกัน สภาพที่แก่เองก็แก่แตกต่างกันก็มองเห็นความหลากหลายของใบไม้ต้นนั้นถ้าปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของเขาไม่มีสิ่งข้างนอกเข้ามาเกี่ยวข้องใบที่เหลืองก็ค่อยๆเหลืองค่อยๆหล่นลงไปและใบที่แก่ก็ค่อยๆเหลืองตามลงไปโดยลำดับแล้วก็หล่นร่วงโรยไป ทำให้เราอนุมานคาดหมายได้ว่าแม้ที่กระ บ, บังพรีออกมาในสุก็ผ่านการเวลาไปแล้วก็เหลืองต้องหล่นไปจากลาต้นเช่นเดียวกันก็ทำให้มองถึงสภาพชีวิตที่มีความหลากหลายเปลี่ยวไวยของคนเหมือนกับัยของใบ ไ, ไม้ซึ่งถ้าเป็นเงื่อนไขธรรมชาติธรรมดาก็คือไหลไปโดยลาดับแล้วแก่เท่าตายไปโดยลำดับ แต่ก็จริงแล้วปรากฏว่าความจริงที่เกิดขึ้นแก่ใบไม้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางครั้งใบไม้ในจุดนั้นเองโดนพายุโดนลมพัดแรงๆหรือโดนการกระทำของคนก็หักลงมาหมดหล่นลงมาหมดทั้งกิง่งทั้งใบระดับต่างๆแม้แต่ใบที่กำลังผริออกมาก็เป็นการแสดงให้เห็นคติธรรมดาของชีวิตอีกแนวหนึ่งซึ่งก็เปรียบเหมือนกับใบไม้ ว่าใบไม้บางอย่างแม้ผลิออกมาใบไมท้ทุกระดับซึ่งแม้จะยังไม่พร้อมจะหล่นแต่อาจจะหล่นด้วยเหตุปัจจัยเหล่าอื่นเหตุปัจจัยเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการภายในหรือเกิดจากนอนจากสัตว์จากคนจากธรรมชาติ้ต่างเราก็หักคนหล่นร่วงหล่นลงมาได้ ชีวิตของคนเราประเภทที่เรียกว่าอาการละมรณานะคือตายในคราวที่ไม่น่าจะตายคือไม่ถึงคราวตายมันกเกิดขึ้นเป็นข่าวเป็นคราวทุกวีทุกวักวนเกิดอุบัติเหตุโดยการทำกับตนเองบ้างโดยการทำของบุคคลอื่นบ้างโดยการประมาทพลาดพรัง้งทังของตนและของคนอื่นบ้างแต่บางครั้งมันมีลักษณะที่ ไม่น่าเชื่อแต่บางข่าวเราเนี่ยก็มีอยู่ในหน้าหนังสือพิม์เช่นรถอยู่ในเลนหนึ่งมีเกาะกลางถนนด้วยเมืเกิดหลบรถที่สวนมาเป็นการหลบยางแรงรถลอยข้ามเกาะกลางถนนไปชนคนตายอีกฟากหนึ่งหรือบางทีข้าไปชนคนตายทั้งในบ้าน มันจะมาเห็นภาพของชีวิตที่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยู่ระดับหนึ่งด้วยแล้วก็มองเห็นกระแสของกรรมอีกประการหนึ่งด้วยเหตุต่างๆที่ไม่น่าเกิดมันก็เกิดอย่างในตกากถาธรรมบทท่านเล่าถึงคนุนภิกษุรูปกลุ่มหนึ่งเจ็ดรูปโดยสารมาทางเรือ แต่ว่าก่อที่จะขึ้นเรือเนี่ยท่านรอเรืออยู่เกิดลมหวดว่นพัดหมุนขึ้นไปอย ไ, ไปลุกไหม้ติดเสเวตหมอ้อลอยขึ้นไปในอากาศอีกาบินมาในอากาศเอาคอไปสอดเข้าในเสเวตหมอ้อนั้นตกลงมาตายนั่นเป็นภาพที่เราจะเห็นว่าความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารทั้งหลายท่นประการหนึ่งเรามองในแง่ของทุกขสัตย์ แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถจะมองในแง่ของกรรมในแง่ของสมุทัยสะตมาความมาเหตุได้เกิดทุกข์เ่านั้นมันเป็นไม่ได้อย่างไงท้องฟ้าทั้งกว้างขวางเสวียนหม้ม อ, อ ก, ก็เล็กนิดเดียวอีกาก็ บ, บินไปแต่ที่จะหลบมันก็ไม่หลบมันโอคอสอดเข้าไปจะได้ก็มองเห็นเป็นกระแสของกรรมที่มีความสลับซับซ้อนต้งติดตามบุคคลมาแล้วน่วยผลแก่บุคคลเหล่านั้นตามสถานะของกรรมนั้นๆ ตัท่านเองก็ข้องใจสงสัยแต่ก็ไม่สามารถจะหาคำตอบได้ว่าทำไมจึงเป็นเช่นน้ในแง่ของทุกษาสตร์เราเห็นว่าชีวิตไม่เที่ยงไงไม่เที่ยงแท้ในนอนตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สถานที่ที่สัตว์ไม่เคยตายนั้นไม่มีในโลกคนที่เกิดมาแล้วไม่ตายก็ไม่มีในโลก คนที่เกิดมาไม่เคยประสบการพลาดพาสูญเสียเลยก็ไม่มีในโลกเพราะเรื่องความตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความตายบางอย่างมันก็ท่อนเงื่อนของกรรมเอาไว้อย่างตัวอย่างเรื่องนี้ต่อมาเมื่อท่านลงเรือไปปรากฏว่าเรือไม่เขยอนไปถึงจุดหนึ่งอยู่กลางหมหาสมุทรเรือไม่ยอมเดินแต่แมโบราณก็ใช้การจับฉลากการกิจี จับสามครั้งไปเจอเอาปัญญาของกัปตันเรือทั้งสามครั้งเลยก็ต้องคงก็ช่วยกันจับผู้หญิงคนนั้นทิ้งลงทะเลถ่วงน้ำลงทะเลไปก็สลดตัวทใจแต่พอขึ้นฝั่งตัวเองไปพักอยู่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งตกรลางคืนหินกลิ้งมาปิดเอาไว้เจ็ดวันถึงออกไปได้ แต่อย่างนั้นเราจะเห็นว่านอกจากสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแล้วเนี่ยตัวสังขารที่มีวิญญาณครองก็คือคนคือสัตว์คือสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามภายในจิตใจเขาได้เก็บนอกจากกิเลสแล้วยังได้เก็บกรรมเอาไว้ยังได้เก็บวิบากคือผลของกรรมเอาไว้กรรมนั้นก็พร้อมที่จะแสดงออกมาเหมือน คุณสมบัติของมเมล็ดพืชแม้จะเมล็ดเล็ ก, เลกๆเดี๋ยวก็มีเงื่อนไขปัจจัยถึงจุดหนึ่งแกก็ออกอะไรมามากมายแก่กอออกมาเป็นต้นพืชเป็นกินพืชเป็นใบพืชเป็นดอกพืชเป็นผลพืชตั้งๆ ท, ที่ถึงจุดหนึ่งเราก็ไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่แกก็เก็บคุณสมบัติเหล่านั้นไว้ภายในมเมล็ดพืช น, นั่นเองเราจึงเอ า, มาเมล็ดพืช จากต้นหนึ่งไปปลูกไว้ในที่หนึ่งหรือปลูกไว้หลายต้นรสชาติก็จะเป็นที่เดียวกับต้นเดิมนั้นแสดงเห็นว่าคุณสมบัติเหล่านั้นก็ถูกเก็บอยู่ภายในเมล็ดพืชนั่นเอ ง, องเพียงแต่รอเหตุปัจจัยเพื่อแสดงความเป็นพืชชนิด น, น, นั้นออกมาในใจของบุคคลเราที่เก็บกรรมเก็บผลของกรรมเก็บกิเลสเอาไว้ก็จะมีลักษณะอย่างนั้น นอกจากว่าทมแสดงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารในปรากฏแล้วยังแสดงกระบวนการของกรรมใ้ปรากฏออกมาอีกด้วยกรรมบางอย่างมันมีความสลับซับซอ้อนในความเป็นกรรมพิสูจ์ทั้งหลายเ่านั้นเองก็ไม่เข้าใจทั้งสี่เรื่องทั้งสามเรื่องมันเป็นเพราะอะไรดูแล้วไม่เป็นไปได้ทั้งหมดดูเฉยๆหินกริ้งลงมาปิดประตูถ้ำไปได้เฉยๆมันมาได้อย่างไง หาคำตอบไม่ได้ตนพลิ้งกลับไปมันกลิ้งไปกลับได้ยังไงในสุดเมื่อเข้าข้า ว, าวพระเจ้าก็กลับทูลเล่าให้ฟังพระเจ้าประสงค์แสดงว่าแต่ละอย่างนั้นเป็นกระบวนการของกลับอีการนั้นชาติก่อนเป็นชาวนาโกดโคตัวเองทำไปลุเสเวียนครอบโคเอาไว้คโคไม่ยอมลุกขึ้นไปไถานาก็ครอบโคเอาไว้แล้วก็จุดไฟโคตาย หนไปในสังสารวัฏชาตินี้ก็เป็นอีกากรรมบรรดาใั่นต้องสอบคอเข้าไปในเสบียะหม้อแล้วก็ตกพมาตายเช่นเดียวกันผู้หญิงคนนั้นในอดีตชาติเคยฆ่าสุนัขถ่วงน้ำลดวประสบพิบัติกรรมเหล่านั้นมาถึงชาตินี้นางเองก็ูกกลับถ่วงน้ำพิษูตทั้งหลายเหล่านั้นในชาติอดีตการนานใคร เคยไม้ไปอุดรูที่สัตว์จะเข้าจะออกทําให้สัตว์อดหิวอยู่ในจอมปลวกเป็นเวลาถึงเจ็ดวันตัวเองก็ประสบผลกรรมในลักษณะนั้นเพราะฉะจากการเรียนตรงนี้ทําให้เรียนไปจนถึงทุกขสัตว์เรียนไปถึงสมุทัยสัตว์ถึงหมายความว่าตราบใดที่ยังมีตรงนี้อยู่ยังมีเหตุคือกิเลสอยู่การกระทําที่เป็นกรรมเป็นบุญเป็นบาปก็เกิดขึ้น ําแรงของกิเลสความไม่กิเลสถ้ากิเลสน้อยก็ทำสิ่งที่เป็นบุญได้มากกิเลสมากก็ทำสิ่งที่เป็นบาปได้มากซึ่งกหมายความว่าทำสิ่งที่เป็นบุญได้น้อยเพราะการศึกษาพิจารณาในแนวนี้บางครั้งพูะเจ้าจึงทรงสอนในรูปของการอุ ป, ปมาเทียบเคียงเพื่อบุคคลดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท เพราะอะไรพระตามปกติแล้วมนุษย์เราหรือแม้แต่สัตว์เดียชใจคือมากไปด้วยความประมาทที่ทรงอุ ป, ปมาภาพชีวิตเหมือนกับโคที่เขานำไปสู่ตะแลงแกงวิธีที่จะฆ่าโคไม่ได้รู้สึกเรื่ความตายหรออยู่ข้างหน้ายัางชนกันยังเบียดเบียนกันยังปฏิสรุรายกันพวกไก่ก็จับไว้ เพื่อนำไปโรงค่าก่อนจะถึงนั้นแกก็จิกแกก็แยกอาหารกันแ ก, กก็ต่อสู้กันนั่นคือภาพของชีวิตทั้งหมดมันก็เป็นอย่างนั้นเองคนแรกได้ตกอยู่ในความประมาทพอการเวลาผ่านพ้นไปโดยมองไม่เห็นสารประโยชน์อะไรจรึงทรงจำแนกแสดงไว้โดยในายาต่างๆที่ชี้เห็นว่า การเวลาที่ผ่านมาและต้องผ่านไปนั้นผู้เจริญจะต้องหาประโยชน์จากการเวลาที่ผ่านมาและจะผ่านไปให้ได้เพราะถ้าไม่ใช้ก็ก็ผ่านเลยไปแต่ไม่ได้ผ่านเลยไปธรรมดาก็ดึงชีวิตเราให้แก่ให้เจ็บให้ตายใกล้ความตายตามเข้าไปด้วยเพรา ะ, ะชีวิตบางทีเนี่ยท่านจึงอุปมาเห็นว่ามันเหมือนกับสีระยนุนคือเหมือนกับยานภานะคือเหมือนกับรถยน หรือเหมือนกับเรือซึ่งก็ลังเดินทางเราจเห็นว่าเรือแต่ละลานั้นไม่ใช่ถึงจุดหมายปลายทางได้ด้วยกันอาจจะถึงจุดหมายปลายทางได้ในที่หนึ่งถึงช้าบ้างถึงเร็วบ้างบางทีก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุในระหว่างบางทีก็อาจจะหลงทาง แต่ในสุดเรือรเหล่านั้นก็ต้องแตกสลายเปื่อยน่าไปตามกาลเวลามันบทเรียนเหล่านี้จึงสามารถเรียนได้ทุกเรื่องประเด็นสำคัญคื อ, อยู่ที่การเรียนรู้การหาความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากร่างกายซึ่งเป็นที่อาศัยเพราะร่างกายเหล่านั้นที่จริงเป็นที่อาศัยแบบเรือแบบรถจริงๆเราก็ไม่สามารถ ที่จะนำพาเข้าไปได้แม้จะรักธนูถนอมเขายังไงก็ตามเราก็นำพาเข้าไปไม่ได้เพราะก็เป็นสมบัติของโลกเป็นขันเป็นธาตุของโลกแต่คําสอนนั้นไม่ได้มุ่งไปสู่จุดสมบูรณ์อย่างมีปัฒนากรรมฐานเพียงระดับเดียวเพราะว่าการนมมองมองแด ง, มงแม้วิปรัชนากรรมฐานที่จริงแล้วเป็นการทวนกระแสะความรู้สึกนึกคิดของคนคือคนไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดี กระเจนว่าบางสิ่งบางอย่างดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาที่จริงมันก็มีปัญหาเช่นคนบางคนพออายุมากเข้าใครถามอายุไม่ได้โกรธทันทีนั้นแสดงเห็นว่าใจไม่ยอมรับของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนต่างคากไม่ยอมรับความแก่ซึ่งทรงสองในให้พิจารณาว่าเป็นธรรมดากลัวคนอื่นจะรู้สึกแก่รู้สึ ก, กว่าตนแก่กลัวคนอื่นจะรู้สึ ก, กว่าตัวหมดสเสน่ห์อะไรต่อไหน มันตรงนี้ที่จริงก็คืออวิชชามันปิดบังปัญญาปิดบังเหตุผลเอาไว้แล้วก็มีโลภะคือความโลภซึ่งก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงความจริงแล้วชีวิตรเรามันก็เป็นอย่างนั้นเราจะบอกใครหรือไม่บอกใครเราก็คงเป็นอย่างนั้นอายุหกสิบก็คือหกสิบเจ็ดสิบก็คือเจ็ดสิบไม่ใช่การไม่บอกจะทำให้รุร่นลนลงมาหรือสิบเจ็ดก็เปล่ามันก็คงเจ็ดสิบอยู่นั่นเอง นิพพานาจะเป็นแนวกา ร, รเผชิญหน้าความจริงพวามจริงเป็นยังไงก็เผชิญหน้าความจริงเหล่านั้นแล้วก็ปรับตัวอยู่ให้ได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นเพราะท่านสาธาชนทั้งหลายจะเห็นว่าที่จริงแล้ววิถีชีวิตที่รู้เท่าทันเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็คือแนววิพัสนาเหตุการมันจะเป็นอย่างนั้นจะมีน้ําท่วมจะมีน้ําหลากมาจะมีฝนตกหนะัก เราก็รู้เท่าทันในความจริงล่านั้นแล้วก็ปรับตัวให้อยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมล่านั้นโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเพราะอะเราจริงๆภัยธรรมชาติเหล่านั้นเมื่อก่อนมันก็ไม่มาเวลานิวเขาก็มามาแล้วมันก็ไปมันก็แบบสังขารทั้งหลายเพรา ะ, ะเวลาศึกษาในอีกระดับหนึ่งจึงทรงสอนแนวแบบขันทะคือหมวดที่ว่ายขันเรียกขันทปะคือหมวดที่ว่าด้วย คือมองให้เห็นขันนั้นๆมองเห็นรูปมองเห็นเวทนามองดูสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วต่อไปก็สืบสาวไปถึงเหตุเกิดของขันนั้นนั้นขันเรานด้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราจะเห็นว่าในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยเขาเกิดมาจากเหตุปัจจัยของเขา แต่ที่เราไปวุ่นไปเดือดร้อนไปทุกไปแบกไปหามเขาเนี่ยเพราะว่าใจเราไปมีอุปท า, านคือใจไปยึดเขาเองที่จริงเขาก็อยู่อย่างที่เขาอยู่โดยลองสังเกตว่าถึงจุดหนึ่งถ้าเราปล่อยวางด้วยการอะไรกระามเช่นว่าลืมไปแเราย้อนกลับไปสู่อดีตสมัยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวนั้นเรามีเพื่อนฝูงที่รักใคร่กันมากสนิทสนมกันมากไปไหนต้องไปด้วยกัน เทียวโดยการสนุกสนานโดยการเบรนี้ก็ไม่เจอกันเดยแต่ถามเราอยู่ได้มันก็อยู่ได้เดือดร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนทําไมจึงอยู่ได้ทําไมจึงไม่เดือดร้อนเพราะว่าเราปล่อยวางความยึดมันม่นหรือมั่เหล่านั้นไปแล้วสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจิตใจมันก็เปลี่ยนแปลงตามไปแต่การปล่อยวางในแนวของสามัญชนนั้นไม่ใช่ปล่อยวางแนวไพระะ่ญามันปล่อยวางเพื่อจะเกาะในสิ่งเดยียว ที่ทรงอุปมาภาพของวานนที่กระโจนวิ่งไปตามป่าที่จริงแกก็จับแล้วแกก็วางแต่วางเพื่อจะจับไม่ช่วางเพื่อจะปล่อยจริงๆวางก็จับไปเรื่อยๆเพราะจะมีสิ่งที่จิตไปยึดมั่นหรือมั่นอยู่เรื่อย่ปยึดมั่นหรือมั่นยังมีอยู่ความทุกข์มก็ต้องมีอยู่อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าขานั้นเป็นภาระที่หนัก แต่คนนู้นทั่วไปก็แบกภาระเหล่านั้นเอาไว้เพราะถ้าต้องการความสุขก็ต้องปล่อยวางคือไม่แบกบเอาก็จริงก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะฉพราะการแบกนั้นเป็นตัวเหตุจริงๆมาเป็นสมุดไถ่ไปสบได้ที่ใจยังมีกิเลสอาการแบกก็คงจะมีอยู่พ้องการโศในแนวต้องการบรรเทาทุก จึงไม่ได้มองไปที่ตัวตัวทุกตรงนั้นเพียงอย่างเดียวแต่บางทีก็มองเลยมาจนถึงตัวสมุทยัยซึ่งเป็นการสาไปถึงเหตุจริงๆเลยทุกคนให้บุคบคลทำใจรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสงบใจเพราะถ้าหากว่าใจไม่แบกเอาไว้ ด้วหน้าความรักความชังแล้วแม้ขันห้าเหล่านั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติของมันมีความแก่มีความเจ็บมีความตายมีการพลัดพรากสูญเสียประสบอุบัติเหตุอะไรก็ตามซึ่งมันเป็นข่าวคราวเราได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวันลองถามดูว่าใจเราทําไมจึงไม่เดือดร้อนมีข่าวคราวเรือจมมีข่าวคราวเครื่องบินตกมีข่าวคราวสงคราม ไม่บอเนียมีฆ่ากันตายใช่ไกมหดแต่ทาไมาเราไม่ทุกข์เราไม่เดือดร้อนจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเพราะใจเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าคนเหล่า น, นั้นเป็นของเราหรือว่าเป็นศัตรูเราใจไปอยู่ตรงไหนไม่ใจมันถูกปรุงด้วยเจตสิกประเภทที่เรียกว่าปัญากฤษตือกลางๆ ไม่ได้ผูกพันคนเหล่านั้นไว้ด้วยความรักความชังความยินดียินร้ายเวลาคนเหล่านั้นก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาคือแก่คือเจอ็บคือตา ย, ค, ตายคือการพลาดพลาดวุ่นวภยัยอันตรายอะไรต่างๆก็ตางเราไม่โศกเราไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญไม่รีบรีบร่ารำพันอะไรแล้ในขณะเดยียวกันเราก็ไม่แสดงความดีอกดีใจอะไร ก็พบได้ทันทีว่าที่เป็นเช่นนั้นเพราะใจเราไม่มีความรักไม่มีความชังก็เปลี่ยนมาดูที่คนเรื่องเรารักเราชังซึ่งตามปกติแล้วคนที่รักชังก็คือคนใกล้ชิดกับเราคนที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่มีสิทธิจะรักจะชังอะไรทั้งรักทั้งชังจึงเป็นเรื่องของคนใกล้ชิดเราจะเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนพอเจอคนรักคนชังด้วยอำนาจความรักความชังนี่ทำให้จิตมันเปลี่ยน พวกคนที่เรารักเกิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีใจเราก็ฟูตามไปพวกคนที่เรารักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีใจเราก็แฝบตามไปพวกคนที่เราไม่รักเกิดได้ดีได้ดีใจเราก็พักแทนที่จะฟูขึ้นเกิดริษยาเกิดเดือดร้อนเกิดเป็นทุกข์เกิดหงุดหงิดรำคาญไม่พอใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ว่าคนที่เราไม่ชอบเกิดประสบความทุกข์ใจเราฟูขึ้นตกลงว่าใจฟูใจแฟบมันเป็นคนเป็นอยู่ที่จิตเราไปกําหนดคนเหล่านั้นไว้ก่อนหน้านั้นที่จริงเขาก็คือเปลี่ยนแปลงตามอิตธิธรรมใจของเขาจะเราไม่เคยฟูไม่เคยแฟบสมรับกับคนที่เราไม่ไปกําหนดด้วยความรักความช่งแต่พอเจอคนที่เรารักเราช่างใจก็ฟูแฟบแล้วก็ฟูแฟบสลับกันด้วย สำ <polarization. S 2> หรับคนที่เราไม่ชอบปรากฏว่าพอเขาได้ดีใจเรากับแฝดพอเขาได้ดีใจเราพอเขาได้ดีใจเรากับแฟดพอเขาไม่ประสบความทุกข์ใจเรากับฟูขึ้นแต่กับคนดีพอเขาได้ดีใจเรากับฟูขึ้นพอเขาประสบความทุกข์ใจเรากับแฝดลงนั้นแสดงว่าทั้งหมดเป็นเรื่องของจิตที่มันปรุงขึ้นปรุงขึ้นด้วยอํานาจอะไรด้วยอํานาจของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิต เพราะันตัวอวิชชาจึงเป็นรากง่าวเป็นที่มาของสรรพกิเลสทั้งหลายธรรมะปฏิบัติในทางาศาสนาก็มุ่งจะลดความรุนแรงของตรงนี้ย้ายมืดบอดมากเกินไปเพื่อใจเป็นอิสระสามารถสร้างความสงบความเยือกเย็นความรู้เท่าทันตามเหตุปัจจัยของสิ่งทัางหลายให้ได้มากขึ้นภายในจิตใครทาได้ก็สัมผัสผลเป็นความสุขความสงบ ตามกระหม่อความสามารถแห่งตนเแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป